ขอความเจริญในธรรมจะงมีแต่ท่านผู้ฟังท่านห้นแต่รุ่มพระโพธิญาณในวันนี้ก็คงปรารบเรื่องพระพุทธคุณที่มีการกล่าวสรรเสริญในรูปของจันทรลักษณ์โดยพระศรีสนทรมุหรน้อยจระยากกุลต่อไปวันก่อนเราพูดมาถึงประเด็นที่ว่า ชี้ทางบรรเทาทุกข์และชี้สุขเกษมศารชี้ทางพระนรุพานันพ้นโศกโยกภัยประเด็นรุ่งของนิพพานนั้นเป็นอุดมกติของพระพุทธศาสนาโดยธรรมาเทศนาทั้งหลายที่ทรงแสดงไม่ว่าจะทรงแสดงด้วยนนยาตใดกด็ตามมันจะมีแนวของการตายระดับขึ้นไปเรื่อยๆ เรรียกว่ามีพระอาหารหันต์เป็นยอดเราดูในภาคของการประพฤติปฏิบัติดูแล้วไม่น่าจะถึงอาหารหันต์แต่ว่าภาคการปฏิบัตินั้นเป็นกระบวนการที่เรียกว่ามีบรรณาการในตัวเขาเองเราไม่ต้องดูอื่นไกลนะดูธรรมะระดับกุบศลกำาบดสิประการเราเห็นว่าเมืงง่อเรามองในแนวลึกนี้ พัฒนาการในจิตใจของบุคคลได้สัมผัสนิพานอย่างอ่อ น, ออนลงไปด้วขึ้นไปโดยลำดับยกตัวอย่างว่ากุศลกระหบดข้อที่หนึ่งคือปานาติปาตาเวรมณีแดยหมดเว้นจากการทำสัตว์มีชีวิตถทงตายในภาคของการปฏิบัตินั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงในจิตใจของผู้ประพฤติปฏิบัติ มาถึงจุดหนึ่งก็คือมดเว้นจากการฆ่าสัตว์โดยตนเองระดับที่สองคือมดเว้นจากการใช้และการส่งเสริมสนับสนุนบุคคลอื่นในฆ่าสัตว์ระดับที่สามมดเว้นจากการยกย่องสันเสริมแสดงความชื่นชมต่อบุคคลที่ฆ่าสัตว์ระดับที่สามนั้นมีใจเมตตาอินโดนในสัตว์และแม้แต่ผู้ที่ฆ่าสัตว์ ต่หมายความว่าคนอื่นก็จะทำอะไรนั้นเป็นเรื่องของเขาแต่ว่าเราจะมองเขาด้วยความเมตตาราถนาให้เขาอยู่ร่วมกันโดยไม่มีเวรไม่มีภยัยไม่เบียดเบีย น, นกันไม่ปัสสายกันแต่เราจะเห็นว่ามันก็พัฒนามาจนถึงเมตาตาและเมตตาถ้าตั้งเป็นหลักขึ้นมาได้มันก็พัฒนาไปเรื่อยตามโครงสร้างของพรมิหารทั้งสี่ประการ ในรายการที่เป็นผบอาหารทั้งสี่ประการนั่นแหละมันก็ทําหน้าที่กระจัดอกุศลจนส่งกันข้ามกับตนเองเช่นว่าเรามีความรู้สึกเมตตาต่อใครสักคนหนึ่งให้ลองตรวจสอบดูจิตตัวเองดูนะฮะว่าสมมุติว่าคนคนนี้เราเมตตาก็จริงๆอายุอาจจะรุ่นราวเขาเดียวกับเราแต่เรามองเขาด้วยความรู้สึกเมตตา ในฐานะเป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนก็ตามสมมติเราเขาสวยเขาเหล่อเราจะไม่มีความรู้สึกในแง่ของการมราคะก็แสดงว่าเมตตาอุภาพนั้นพอเกิดขึ้นจริงไม่ใช่แค่จัดเฉพาะโทสะแต่มันก็จัดก็จัดราคะได้ด้วยแล้วถ้าหากว่าเขาทาอะไรผิดพลาดบกพร่องไม่เป็นที่พอใจของเราเราจะเกิด อภัยอดทนรอคอยขึ้นโดยอัตโนมัติเพราะโดยเพราะว่ามันมีปัญญาพิจารณาสอดสองมองเห็นถึงความเป็นคนแต่ละคนเราจะไปคาดหวังให้คนนั้นเป็นอย่างนั้นคนนี้เป็นอย่างนี้คนนู้นเป็นอย่างนู้คนจะเป็นอย่างนั้นไม่ควจะเป็นอย่างนี้ป็นเป็นไปไม่ได้หรอกคนแต่ละคนเขาก็เป็นอย่างที่เขาเป็น เพียงแต่ว่าทําอย่างไรเราอยากไปโจรเข้าไปในหลุมบอ่อที่เขาตกหลงนไปเพราะถ้าเป็นอย่างนั้นเราก็ช่วยเหลืออะไรเขาไม่ได้ตพรานั้นในแนวของเมตตาเองเนะนี่ยขณะข้าวมันก็มีสัตว์ทั่วไปเป็นอารมณ์มองสปปรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยความเมตตามันก็ผ่านไปสู่กรุณา ก็สัมผัสพระพุทธคุณลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นก็คือกรุณาคุณดังนั้นขณะเดียวกันจิตใจของท่านก็จะบริสุทธิ์จากความพยาบาทจากการมราคะจากความรักในทางเพศหรือจากความรักในแง่ของความเป็นครอบเป็นครัวจะจะมองคนด้วยความกรุณาด้วยเมตตากรุณาเพียงอย่างเดียวในตอนต้นๆก็อาจจะมองด้วยเมตตา แต่ถึงจุดหนึ่งเราเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นแก่สรรพชีวิตทั้งหลายเราจะมองเขาด้วยความกรุณาเมื่อเข้าหลักของพระอาหารหนะันต์แจะเข้าไปสู่เส้นทางของพระหรันสัมผัสได้ลึกขนาดไหนก็แล้ ว, แ, ลวแต่จิตใจของแต่ละท่านวันตรา ม, มาในภาคปฏิบัติในกุศลกรรมบททั้งสิบประการเอาเข้าจริงนะ เอาจริงนสข้อนั้นถ้าหากว่าคนมีความเห็นชอบคือเป็นสมาธิธิตัวสมาธิติตนั่นเองก็จะกระจัดตัวมโมหะหรืออวิชชาให้จางไปคลายไปบรรเทาไปเลยอวิชชาดับอย่างอื่นที่เป็นอาการของกิเลสทั้งหลายเนยีเป็นอาการของวิชาบางก็ดับตามไปใจผู้บุคคลก็เข้าสู่นิพพานในแต่ระดับ นิพพานนั้นเป็นชื่อชื่อหนึ่งที่ใช้เรียกสภาพจิตของใครก็ตามที่ดับกิเลสได้ดับทุกข์ได้แต่ว่าภาคของการปฏิบัตินั้นเรียกว่าปหานะบ้างเรียกว่าวิมุตต์บ้างเรียกว่านิพพานเห็นได้ในขณะนั้นๆบ้างก็ได้แต่คือเราสังเกตอย่างหนึ่งว่าคําเนี่ยมันมีอยู่ก่อนภาษานี่มันมีอยู่ก่อนศ า, านนน ส, สนา ท้งศาสนาใดก็ตามที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นใด ก, ก็ต้องใช้ภาษาในท้องถิ่นเหล่านั้นเป็นเครื่องมือนในการสื่อคําสอนในดานศาสนาของเขาก็แน่นอนแหละภาษาที่สื่อออกไปนี่ความหมายไม่ค่อยเต็มเทีย่ยเพราะเป็นภาษาสามัญตอนนั้นพอถึงระดับสูงแนมะ้คํามันจะตรงกันแต่ก็ต้องอธิบาย อนนิพานนั้ น, นยกตัวอย่างง่ายๆว่าบางครั้งนี่คือสบายใจนะเป็นสภาพคนจิตที่รู้สึกสบายใจโปร่งเบาสบายเยอกเจ็นแบบครองเวียนเนี่ ย, นยในสมัยโบราณเนี่ยก่อนที่พระเจ้าจะศัสรูท่านก็เรียกวันนิพานเหมือนกันเพียงแต่เรียกวันนิปุตตาหรือนิปุโตก็แล้วแต่ใน ย, ยกตัวอย่างในกรณีที่เจ้าหญิงกีสาโคตรมี เป็นขยติกับพระพุทธเจา้าแล้วก็เดินสวนกับพระพุทธเจา้าในสมัยที่ยังเป็นพระโพธิสัตว์ยังไม่ได้ศัตว์รุโดยปกลิกภาพที่ยิ่งใหญ่สง่างามอมอากราหารันตันต่นตลึง ท่านก็เปล่งเป็นวาจาขึ้นมาว่านิพุตานูนัสสามาตานิปุโตนูนัสโอปิตานิพุตานูนัสสารียัสายังอิติโซสติคนเราเป็นแม่ของผู้ชายคนนี้หรือใครก็ตามที่เป็นพ่อของผู้ชายคนนี้หรือผู้หญิงใดที่เป็นพันยาของผู้ชายคนนี้ดับเย็นสนิทแล้วคือสบายใจได้ว่าจะไม่เกิดปัญหาจากผู้ชายคนนี้ นายก็แสดงเห็นว่าตัวนี้ที่จริงมันพูดระดับสบายใจสุขใจดีใจเท่นั้นเองไม่ได้หมายถึงว่าหมดกิเลสแตงหมดกิเลสก็ไม่ได้มีครอบครัวจีแต่วันนี้พูดถึงเรื่อ ง, เ ร, องเรื่องของครอบครัวและบางทีมันก็พูดในระดับที่เรียกว่าสมมติว่าเราตักแกงซึ่งร้อนๆ อ, ออกมาอย่างกินไม่ไหวแล้วก็บอกเขาเมื่อผ่านระยะเวลาไปช่วงหนึ่งว่าแกงนี้ผ่านแล้ว หมายความว่ามันลดความร้อนลงอยู่ในวิสัยที่จะกินได้แล้วแต่ไม่ถึงกับไม่ร้อนหรอกนั้นก็แสดงให้เห็นว่ามันไม่ใช่ในภาษาทั่วไปแต่พอมันถึงกรอบของนิพพานในพระพุทธศาสนาเราก็ต้องอธิบายตามกรอบของนิพพานในพระพุทธศาสนา ท่านจะทระนะงใช้คำว่าป่าหานะทรงใช้คำว่าปีพุตทรงใช้คำว่าสันนิษฐานนิพานนางโดยใช้ชื่ออย่างอื่นีเยอะนะ่ะนิพานมีชื่อที่เราเรียกว่าเป็นไวยาพน์เนี่ยประมาณสักแปดเก้าสิบคำในวงการศาสนาพอก็สื่อออกไปนี่เข้าใจกันไม่จําเป็นจะต้องใช้คําเหมือนกันแต่เมื่อสื่อไปแล้วก็เข้าใจกันได้ไม่มีการตกเฉียงกัน ปัญหานที่เกิดขึ้นในวงการระาศาสนาที่ค่อนข้างนานนานข้ามปีนะนานจนรู้สึกน่าเกลียดปัญหานเหล่านี้บางคนจะแก้ไขยุติด้วยในในเวลาที่รวดเร็วไม่ควรจะหาขารทํำลายล่างกันแต่ว่าเป็นเรื่องที่หาจุดประสานไม่ค่อยได้หรืออะไรก็ตามนะ แต่ประเด็นไ่อยากตั้งข้อสังเกตเอาไว้นะว่าคำว่านิพานก็ดีคำว่าวิสังขารก็ดีคําว่าอนัตตาก็ดีนั้นมีความหมายเท่ากันแล้วอนัตตาบางครั้งเนี่ยก็หมายระดับของโลกียาบางครั้งก็หมายถึงโลกุตระนิพานบางครั้งก็หมายระดับโลกียะบางครั้งก็หมายถึงโลกุตระได้บางกัง น, นะเช่นว่าเราเกิดอารมณ์โกรธขึ้นมาแล้วเอาชนะใจตัวเองได้ในขนาดนั้นไม่โกรธ เราก็ดับเย็นขึ้นภายในใจเราเขาเรียกว่าเป็นสันทิฏฐิกางนิบานังคือการดับที่เห็นได้ในขณะนั้นนันแต่ก็หมายความว่าสภาพเหล่านี้เราก็สัมผัสที่ผ่านกันอ่อนๆกันนะนะสัมผัสนิพานอ่อนๆกันอยู่เสมอเราเมื่อศึกษาประพฤติปฏิบัติไปถึงจุดหนึ่งจเจริญสมาธิสมถาะภาวนาหรือสมถะกรรมฐานทาให้ใจสงบจากนิวรณ์ได้ ตลอดระยะเวลาที่นั่งสมาธิอยู่หรือว่าจนถึงก็ได้ฌานหรือแม้แต่ชัว่วงขณะมันก็ถือว่าดับกิเลสได้ในขณะนั้นๆันา น, น, นเท่าไหรก็คือเท่านั้นหมายความว่าตรบใดที่ฌานยังมีอยู่เนี่ยกิเลสมันก็สงบลงไปในฌานนี้นอาจจะเรียกว่าสงบหรืออาจจะเรียกว่าสยบก็ได้ระดับที่สามนั้นเป็นการตัดกิเลสได้เด็ดขาด คือเข้าถึงความจริงของสิ่งต่งางๆอาจจะเริ่มต้นจากการมองเห็นสังขารเป็นของไม่เที่ยงมองเห็นสังขารต่งางๆต้องปงเป็นทุกข์หรือมองเห็นธรรมั้งปูนเป็นหน้าตา ก, ก็ตามก็เริ่มจากมองเหนจุดไหนก็ตา่างในดมื่อปัญญาอันชอบตามความจริงแล้วมันไปลดพวกกิเลสทั้งหลายลงไปก็เรียกว่าถอนตานามานาสิทธิออกไปท่านก็นสัมผัสนิพพานและเด็ดขาดแล้วก็เป็นระดับระดับขึ้นไป เราจึงพบเรื่องพระยาบุคคลสี่ประเภทอย่างที่ทราบกันหรือย่อยออกไปเป็นแปดระดับเป็นขนาดจิตนะฮะนี่ก็คือเรื่องที่พระเจ้าทรงชี้ทางแต่ว่าทางไปสู่นิพพานนั้นจะต้องปฏิบัติให้สมบูรณ์ในเรื่อมรรคผลแปดประการทีนี้ในความเป็นรัชแปดประการก็เหมือนกันแหละคืออย่าไปคิดถึงมันวุ่นวายมากเกินไป เพราว่าก็ตามความเป็นจริงแล้วเนี่ยบางครั้งเนี่ยเรานั่งอาสนะเดียวคือนั่งอยู่ครั้งเดียวเนี่ยถ้าเรามีวัฒนาบารมีที่เป็นพื้นฐานมากพอบางพระธรรมเทศนาที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงประธานแสดงครั้งเดียวก็บรรลุมมผลเป็นบระานได้แล้วเพราะพรนั่งเพื่อตั้งใจจะฟังธรรมต่อพระพักพระพุทธเจา้าเรานึกภาพอย่างนี้ดู แล้วจะเกิดการสรวมระหวังคือใจมันมีอาการทางกายวาจานะ่ะเป็นศีลไปโดยอัตโนมัติะประศีลไปว่าปกติพอไม่สบวมระวังก็คือเป็นอาการของศีลกายก็ปกติวาจาก็ปกติก็ไม่พูดตุจริตไม่ทำตุจเรตใจนั้นที่จดจ่ออยู่ในธรรมะนั้นก็คือใจที่มีสติมีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสมาธิมีศรัทธาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ก็กลายเป็นพวกของกลุ่มอินทรีย์ทั้งหลายเข้มข้ น, นขนาดไหนนละ้วอีกเรื่องหนึ่งนะะแล้วมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยเขาเรียกว่าฟังโดยเคารพก็พิจารณาตามไปดเรื่อยๆจนถึงจุดหนึ่งเนี่ยท่านก็บรรลุ ม, มาผลได้เมื่อจิตสงบตั้งมั่นเป็นสมาธิไม่หวั่นไหวไม่มีกิเลสปราศจากกิเลสจิตมันพร้อมที่จะน้อมไปเพื่อรู้ ตามกระแสธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงท่านเหล่านั้นก็จะสรุปบรรลุมากผลเป็นพระญาบุคคลขึ้นมาได้ตัวอย่างง่ายเช่นทััยศะซึ่งเป็นชาวบ้านปัญญากลทัญยะเระปัญญากีนั้นท่านเป็นนักบวชนะแต่เราเอาเฉพาะชาวบ้านมาดูเพราะทันยศะนั้นเข้าไปด้วยประลบปัญหาภายใน ค, ครอบครัวซึ่งบารมีท่านแก่กล้าขึ้นน่ะ แต่มองสาวสารกำลังใหนเป็นซากศพที่ทิ้งอยู่ในป่าช้าเกินกระดาษดาไปหมดเลยก็รู้สึกดักขัดข้องรำคาญไม่ต้องการที่จะอยู่ในปราสาทก็จะผ้าผาคมธรรมดานะก็เดินคลุมคือคลุมบาไปคลุมหลายไปแล้วก็บ่นว่าที่นี้วุ่นวายหนอที่นี่ขัดคองหนอที่นี้วุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้อหนอ พระพุทธเจ้ารับสั่งเรียกว่ายสะทีนี้ไม่บุบวายทีนี้ไม่ขัดข้องมาทีนี้เถิดนั่งลงเถิดเรจาจะแสดงธรรมแก่เถิดตอนนั้นพระพุทธเจ้าประชนพรรษาเท่าไหร่สามสิบหกต้นต้นนั้นนะยังหนุ่มมากแล้วก็ไม่รู้จักกันมาก่อนยสะเอไม่รู้พระเจ้าเป็นใครแต่พระพุทธเจ้ารู้ราษณะเป็นใครพลพระจะดบพระพุทธํารัรที่ฏฐะทักว่ายะสะ ทีนี้ไม่วุ่นวายทีนี้ไป่รัดค้องมาทีนี้เถอนนัน่งลงตื่เราจะแสดงธรรมกับเธอเนี่ยพระยศไปเห็นพระพุทธเจ้าก็ตะลึงเลยเพราะไม่เคยรู้จักไม่เคยเห็นแต่ทำไมพระองค์รู้จักและรู้ถึงความคิดเนี่ยมันทึ่งมากอัศจรรย์มากแต่ในที่สุดก็ฟังด้วยความเคารพาาทำใม้ศาสนานะส่งสแสดงรูปบันไดก็ตายขึ้นไป เขาเรียกว่าอนุพุปิกถาและระยศสัตว์สีคือผู้เรื่องทานผู้เรื่องศีลผู้เริ่มผลทานผลศีลที่บุคคลได้รับในขณะนั้นๆขณะต่อไปและขณะต่อต่อไปแล้วก็พูดถึงโทษที่เราจะสัมผัสจากกรามาคุณทั้งหลายแม้จังเกิดเป็นเทพวุติเทิดาบนสงสวรรค์ก็ไปเจอแก่กรรมที่มันเป็นทิพย์เราก็มีปัญหากับกรรม เป็นที่ในสุดก็ส่งแสดงทางออกให้ก็เรียกว่าในกขมานในสงก็แสด ง, สงอันนิสงกับการออกจากกามแล้วก็แสดงในอริยสัจทั้งสี่ประการบนทางบันทรทุกนี่มันต้องเดินบนเส้นทางของอริมยมรรคมแปดประการก็บัน ท, ทุกไปเรื่อยๆคือถ้องมองดูโครงสร้างง่ายๆของศีลสมาธิปัญญา หมายความระดับศีลนั้นเป็นการบรรเทาทุกระดับเวรภัยอันตรายพวกอันตากรรมทั้งหลายถ้าคนอยู่สมมุติปางหมู่บ้านหนึ่งเนี่ยมีสักร้อยร้อยร้อยครอบครัวแต่ละคนรักษาศีลห้าหมดขาจะองู่สงบมากเข้าของทิ้งวางไว้เป็นวัตถุสัตว์นะนะคืหมายความว่าคนก็จะไม่รักไม่หมวด แล้วจะอุเพื้อดูแลซึ่งกันและกันแต่ถ้าก้าวไปถึงระดับธรรมะธรรมะปฏิบัติเช่นสมมติเราอยู่กันด้วยความรักความสามัคคีเนี่ยมันก็เป็นเรื่องหนึ่งเดียวกันเอาสมมติเรามีพื้นฐานเมตตาอย่างที่ว่าเนี่ยพูเจ้าทรงแสดงเมตตาที่แสดงออกทางกายทางาจาทางใจ โดยการทำอย่างไรเช่นว่าการเฉลี่ยให้ปัน่นคือการส่งเครื่อคราะกันและการอยู่ในกรอบกดเกรยระเบียบวินัยก็กฎหมายเสมอกันไม่ขัดแย้งกันเรื่างความคิดความเห็นเรียกว่ามิติเสมอกันถ้าทําได้มันก็สร้างความรักความกรุ๊กแล้วก็จะไม่ทะเลาะ ก, กันหรือไม่ทะเลาะ ก, กันก็จะเกิดการดูแลกันส่งเครื่องดูคราะกัน สมเคราะห์นั่งเคราะกันได้ก็จะเข้าใจจะทราบซึ้งในน้ำใจมากยิ่งขึ้นมันก็จะออกมาในรูปที่เรียกว่ามีความสามัคคีแล้วก็มีเอกภาพเกิดขึ้นมันก็เป็นความสุขคืออยู่ร่วมกันโดยความเป็นมิตรมันก็เป็นความสุขตอนแม่ที่รับสั่งพูดถึงกัลยาณมิตรมิตรที่ดีเนี่ยมีความรักใคร่ต่อกัน กระพริกระทในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อ ก, กันมุ่งจะอุ ป, ปการะต่ออีกฝ่ายหนึ่งอย่าไปเชิญหน้าอันตรายภัยต่างๆก็ไม่ทอดทิ้งกันเรียกว่าร่วนทุกข์ร่วมสุขกันโดยการปฏิบัติเพียงเท่า น, นี้นะเราก็สร้างความสุขแนละ้เพราะนัเราจะพบธรรมะในแนวที่จะสร้างสุขการธรรมะปฏิบัติ ไปในครอบครัวเช่นว่าสามีปัญญาอยู่ด้วยกันในทำอย่างไงจึงจะมีความสุขพระทรงสอนในลูกนาทีพ่อแม่ลูกอยู่ด้วยกันในทําอย่างไรจะเป็นครอบครัวที่อบอุ่นเป็นการอยู่ร่วมของเทพบุตรเทิดทดาลูกชายลูกหญิงก็เหมือนกับเทพบุตรเทพดิดาน้อยๆที่อยู่ร่วมกันไปในสวรรค์วิมานอาจจะไม่ดูรแลผู้ฝ้าแต่ว่าอํานวยความสุขให้เอนน้ก็คือหลัก แล้วพอขึ้นไปถึงสมาธิเราก็สุขมากยิ่งขึ้นกราบเท่าที่ใจยังมีสมาธิแตพ่พอพัฒนาขึ้นไปจนปัญญาเห็นชอบมีความดำํำริชอบที่สมบูรณ์เนี่ยนะอะไรมากก็สมบูรณ์ก็เป็นพระยะบุคคลขึ้นไปไเรื่อยที่ทางแสดงถึงคุณสมบัติของพระยะบุคคลในสายของไสรสิกขานะ อวสุบันท์ศีลสมบูรณ์สมาธิพอประมาณปัญญาพอประมาณพระสกทาการมีก็เหมือนกันเพียงแต่ว่าราคาโถสระโมหะท่านลดลงกว่าเดิมแล้วลงขนาดไหนท่านไม่เคยอธิบายแต่ว่าจากการศึกษาตัวตนของพระอนาคามีบุคคลทั้งพระสกทาการมีบุคคลทั้งหลายนั้นยังไม่เคยพบท่านมีครอบครัวก็แสดงว่าการมราค่าลดลงไปมาก แต่ปโสรนาบันมีครอบครัวนะกะแสดงว่ามีการมราคาอยู่พอสมควรแต่ไม่ถึงก็บทำผิดศีลไม่ถึงกับไปละเมิดศีลข้ อ, ขอการเมสมิจ า, าจารย์หรือว่าไปมียิิงงินชายอื่นเยี่ยงสามัญชนโดยทั่วไปแต่ถ้าก็มีครอบครัวมีลูกมีเต้ายัางนา ม, มิสาขาก็มีลูกทั้งยี่สิบคนเป็นต้นเนี่ยพระนาคามีนั้นมีศีลสมบูรณ์สมาธิสมบูรณ์แต่ปัญญา ยังไม่สมบูรณ์พอเป็นพรทหารก็สมบูรณ์ก็มาความอริมกักมีองค์แปดประการก็เกิดขึ้นสมบูรณ์เต็มที่ตัวยานคือตัวความรู้ซึ่งเป็นตัวมรรคจริงๆเนี่ยก็จะสามายานก็เกิดขึ้นสมบูรณ์ท่านก็เป็นพระ บ, บุคคลระดับสูงสุดก็คือพระอราหันต์แต่ยังรู้นะฮะมันก็เป็นบันไดที่ไต่กันขึ้นไปไม่ใช่ว่านิ่งๆจะไปถึงได้ นี่ก็ทางนิพานที่พระเจ้าทรงแสดงไว้แต่ว่า น, นิพานมีอยู่แต่คนต้องเดินไปนะคนต้องดำเนินไปตามหลักของมริมักแปดมีองแปดประการด้เรียกว่าใจสิกาก็ได้นะประการต่อไปเป็นการแสดงคุณลักษณะของพระพุทธเจ้าว่วาพร้อมเป็นจะพิจากณสุจริตวิมลใสเห็นเหตุที่ใกล้ไกลก็เจ็นจบประจักษ์จริง ผู้เจ้านั้นเป็นการรู้จริงทะลุปลุกโลงเห็นทั้งอดีตอนาคตและปัจจุบันของสิ่งเหล่านั้นพระทรงประกอบไปจากสุขห้าประการประการแรกก็คือตาเนื้อธรรมดาเนี่ยแต่ว่ามีปร ะ, ระเน็ตที่แจ่มใสมองอะไรชัดเจนทางความเป็นจริงแต่ว่าที่ปัญจสุก็ตาชิตมันทํามองคล้ายๆกับโทรทัศน์น่ยนะคือหมายความสามารถเห็นรูปได้แต่ว่าต้องเปิดขึ้นแล้วก็หมุนให้ตรงช่อ ง, องก็จะเห็นรูปได้ ัตาที่เองก็มีลักษณะอย่างนั้นแล้วก็ปัญญาจักษุคือตาปัญญาที่มีความรอบรู้ลึกซึ้งในธรรมะแล้วจนพุทธญาสุคือตาของพระพุทธเจ้าเป็นความรู้ในเรื่องในกลางนั่นแหละแต่มันลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นกว่าพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายและที่สําคัญอย่างยิ่งก็ทรงประกอบด้วยสมัญตาจักษุคือจักษุรอบด้านเป็นตัวประสพพันธุตญาณที่โปรองใสจะสรู้ แล้วก็ทําให้สถานะของพระองค์เป็นพระพุทธเจ้าเพราะนั้นด้วยตรงนี้ทั้งหมดที่จริงเราจะเห็นว่าเว้นไว้แต่ตาเนเอือก็คือปัญญาทั้งนั้นแหะแต่ว่าเรื่อในฐานะแตกต่างกันคือใช่ในฐานะที่แตกต่างกันก็ทําให้ส ง, งงปัญหาต่างๆเนี่ยแจมจ้งชัดเจนท่านจึงบอกว่าพร้อมเบนจะพิจารณาคือจากสุดมีหายากสุสดจระปรมลสายเกิแต่ละอย่างนั้นแจ่มแจ้งชัดเจนหมด เ ห, เหตุนี้ที่ใกล้ๆก็เจนจบปัจจักจริงตอนธรรมะเนี่ยอพระองค์เองกุศลเจตนาก็ต้องการที่จะกําจัดน้ำใจห ย, ยาบสันดานบาปแห่งชายหญิงถ้าผู้ปฏิบัติปฏิบัติตามจริงก็สัตว์โลกได้พึ่งพิงมาละบา ป, ป, ปบําเพ็ญบถึงถึงพระพุเจ้าต้องละบาปแล้วก็บําเพ็ญบุญแล้วพระพุทธเจ้าจะเป็นที่พึ่งใ ห, ให้แก่เราท้องฟังเท่าไหร่ ได้ร่มพระโพธิาณในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเป็นตอนนี้ที่สุวนี้ขอความเจริญงดงามไปบูุ์ในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังทนายโดยตัวกันสวัสดี